เรื่องเล่าผีหลอนตอนไอ้ดำเรื่องราวที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังกันต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ส่งเข้ามาจากคุณนนท์ครับโดยคุณนนท์ได้เล่าว่าสวัสดีครับพี่พี่รายการเรื่องเล่าผีหลอนผมชื่อนนท์เป็นคนพัทลุงเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ มันเกี่ยวกับหมู่บ้านที่ผมอาศัยอยู่แต่ผมไม่ขอเอ่ยชื่อหมู่บ้านเรื่องนี้มันมีอยู่ว่าเมื่อสี่สิบกว่าปีก่อนมีข่าวที่คนต่างหมู่บ้านได้หายตัวไปจากบ้านของเขาซึ่งบ้านของเขาคนนั้นอยู่ติดกับภูเขา ตำรวจได้เข้าไปในที่เกิดเหตุแล้วก็ได้ไปพบกับรอยเท้าคนขนาดใหญ่ซึ่งมันใหญ่กว่ารอยเท้าของคนปกติอยู่มากรอยเท้านั้นอยู่ทางหลังบ้านของชายที่หายตัวไปรอยเท้านั้นเดินขึ้นไปบนภูเขาทางเจ้าหน้าที่ก็เลยจัดกำลังออกกันตามหาในช่วงสองคืนแรกที่ขึ้นไปหาตำรวจก็บอกว่า ได้ไปเห็นตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวใหญ่ๆมีขนทั่วตัวพอส่องไฟขึ้นไปดูก็ต้องตกใจเมื่อเห็นรูปร่างของมันตำรวจคนนั้นเห็นท่าไม่ดีแล้วก็เลยยิงปืนเข้าใส่แต่มันก็หนีไปได้ในคืนที่สามตำรวจจึงขอกำลังจากชาวบ้านที่แข็งแรงขึ้นไปช่วยกันตามหา แต่คราวนี้กลับไม่เจอไอ้ตัวเมื่อคืนแต่ได้ยินเป็นเสียงอะไรสักอย่างคำรามขู่พวกเขาอยู่ในความมืดซึ่งคนที่ขึ้นไปหนึ่งในนั้นก็เป็นคุณปู่ของผมเองคุณปู่ได้เล่าว่าพอได้ยินเสียงของไอตัวนั้นปู่ก็รู้ได้ทันทีว่า มันคือไอดำที่เพื่อนของปู่เก็บมาเลี้ยงไว้เมื่อสมัยปู่และเพื่อนยังหนุ่มๆเมื่อได้ยินเสียงนั้นปู่ก็ท่องคาถาบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาปู่เล่า ว, ว่าพอท่องคาถาเสร็จก็ได้ยินเสียงไอตัวนั้นมันร้องโหยหวนหน้ากลัวเสียงดังก้องไปทั่วภูเขา แล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนว่ามีใครเอาไม้หน้าสามไปตีเข้าที่ตัวของไอ้ตัวนั้นอยู่ไกลๆจนเสียงโหยหวนหยุดไปปู่เล่าว่าพอมันหยุดร้องเสียงดังตุบ ก, ก็ดังขึ้นเสียงมันเหมือนมีอะไรตกลงมาจากต้นไม้ปู่บอกว่านั่นแหละไอหนุ่มคนที่พวกเองตามหาขออธิบายก่อนว่า ปู่ของผมเป็นสิทธิเดียวกับวัดที่ขุนพันเคยไปฝึกวิชาด้วยแต่วิชาที่ปู่ได้มานั้นน้อยมากและปู่ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่แต่ก็พอจะมีของดีติดตัวมาบ้างปู่บอกว่าถ้าปู่ไปเรียนแล้วตอนนั้นสนใจสักนิดก็คงจะมีวิชาเหมือนพี่ขุนเขาแล้วปู่เล่าต่อไปว่า หลังจากที่เอาศพของชายที่โชคร้ายนั้นมาก็มีลมพัดเข้ามาพร้อมกับเสียงที่พูดขึ้นมาว่ากูไล่มันไปแล้วเสียงที่ได้ยินนั้นปู่บอกว่าเป็นเสียงของตาปู่ที่เป็นเจ้าป่าเจ้าเขาซึ่งอยู่ที่ภูเขาลูกนี้เวลาผ่านไปจนเรื่องราวถูกบอกต่อมารุ่นสู่รุน จนมาถึงรุ่นผมเรื่องราวเกี่ยวกับการที่มีตัวอะไรสักอย่างอยู่บนภูเขาก็เป็นแค่เรื่องที่มีเอาไว้หลอกเด็กที่ซุกซนไม่ให้ออกมาเล่นตอนกลางค่ํากลางคืนเพราะเดี๋ยวจะโดนไอ้ดาลากไปกินบนภูเขาแต่เมื่อไม่นานมานี้ผมได้มีโอกาสมานอนเข้าค่ายลูกเสือที่โรงเรียนซึ่งโรงเรียนของผมนั้น อยู่ติดกับภูเขาลูกที่ว่านี้ตอนนั้นผมนอนอยู่ในเต็นท์และด้วยความที่ผมแปลกที่นอนก็ไม่ค่อยหลับจึงออกจากเต็นท์มาสูดอากาศข้างนอกเวลาตอนนั้นประมาณสี่ทุ่มผมก็ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรร้องครวครางอยู่บนภูเขาผมก็เลยมองขึ้นไปดูตามเสียงก็พบว่า มีอะไรสักอย่างนั่งอยู่บนต้นไม้แล้วก็ได้ยินเสียงที่ดังออกมาจากไอตัวที่ผมเห็นมันพูดว่ากูรอมันอยู่ผมตกใจมากจึงรีบกลับเข้าเต็นท์ไปนอนพอเข้าค่ายเสร็จผมก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้คุณปู่ฟังคุณปู่ได้ฟังแล้วก็หัวเราะขึ้นพร้อมกับพูดว่ามันจะรอใครเล่าก็ข่านี่ไง ค่านี่แหละปู่หัวเราะแบบสะใจจนผมหัวเราะตามผมคิดในใจว่าวันที่ผมเห็นมันมันน่าจะรู้ว่าผมเป็นหลานของคนที่มันแค้นมันเลยฝากผมมาบอกปู่ต่อก็เป็นได้แต่ถ้าตอนนั้นมันลากผมขึ้นไปกินผมก็อาจไม่ได้มันนั่งเล่าประสบการณ์ให้พี่ๆได้ฟังเหมือนกับตอนนี้ก็ได้